ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสได้แบ่งปันพระราชกิของพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ในสภาคริสตจักรเราก็เป็นวันระลึกถึงวิรชนแห่งความเชื่อเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ท่านเหล่านี้ได้มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและมีสองคนที่ถูกทางการได้ลงอาญานะครับก็ประหาร ชีวิตในเช้าวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนั้นทำให้เหตุการณ์โคมเห๑๙นั้นทาให้ความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนนั้นถูกกระจายไปตามภาคเหนือตามเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ล, ลำปางแม่ฮ่องสอนกระจายไปทั่วจากบันทึกของอในประวัติศาสตร์ของมิชโนลีได้กล่าวว่าขณะที่สองคนนั้นกำลัง ผูกประหารชีวิตนั้นเขาก็อธิษฐานต่อองค์พระบุญเจ้าและขอพระเจ้าทรงไวพรคนที่กำลังประหารชีวิตของท่านนั้นครับชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะอธิษฐานต่อองค์พระบุญเจ้าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ในอดีตเวลาเราฟังเพลงเป็นเทปอาจจะเป็นแผ่นเสียง ยาวๆหรือว่าเป็นเพลงเทปจากคาเซตถ้าเราอยากจะได้เพลงหลายๆเพลงที่เป็นเพลงที่เราประทับใจเราต้องนํามาตัดต่อเองอผมเคยทําอย่างนั้นเอาเครื่องเล่นคาเซตเอามาต่ อ, จอเอาจาะอจหน้ากันแล้วก็ตัดเอาเพลงที่เราชอบมาฟังเพื่อว่าเพลงที่เราฟังนั้นจะ ไม่มีขัดจังหวะให้หยุดเป็นเป็นช่วงๆเหมือนกับเทปที่เขาวางขายตามตลาดนะครับแต่ในปัจจุบันครับระบบดิจิตอลได้เข้ามาครอบคลุมในชีวิตของคนเรามากขึ้นเราอยากฟังเพลงยาวๆเรากดเข้า YouTube อยากจะได้อยากจะฟังเพลงน้ำสการหรือว่าฮิมยาวๆแล้วก็เขียนว่าฮิมนันสต็อปพี่น้องจะฟังเพลง24ชั่วโมงก็ได้ครับ ทั้งโปรแกรมนั้นมีเพลงให้เราฟังและเราก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับข้อสนาสนใจคือไม่ต้องเสียตังค์ในการฟังเพลงแบบนี้พี่น้องครับยังมีเพลงที่เราจะมีโอกาสได้ร้องแบบนันสต็อปอีกครับก็คือว่าเพลงแห่งสวรรค์แต่ณเวลานี้เรายังไม่ได้ไปสวรรค์แต่เราขอสวรรค์มาอยู่กับเราสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราแต่แน่นอนที่สุดชีวิตของเรานั้นมีอะไรมากมาย ที่มันเป็นความยุ่งยากลำบากแต่ว่าเราก็ต้องดำเนินไปไม่สามารถหยุดได้อย่างเช่นการหายใจการรับประทานการหายใจถ้าเราหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นชีวิตของเราก็เสียชีวิตแต่ในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันฝ่ายความเชื่อก็เช่นเดียวกันมีคนบอกว่าการอธิษฐานเป็นเหมือนการหายใจ ฝ่ายวิญญาณครับในทำนองเดียวกันนั้นถ้าเราหยุดการอธิษฐานก็เหมือนกับว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นก็ขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเช่นเดียวกันในข้อพระคัมภีร์วันนี้ที่ผู้ปกครองได้อัญเชิญไปแล้วนั้นซียรธิบาลได้เทศนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หวังว่าเนื้อหาจะไม่ชนกันนะครับแม้ว่าเป็นพระคัมภีร์ตอนเดียวกันข้อเดียวกันแต่วันนี้ ผมจึงตั้งหัวข้อว่าภารกิจสวรรค์นัน s ต o p p พ a y i n g นะครับในหนังสือของอาจาร์ปโโในพระธรรมเอเฟซัสนี้เขียนเพื่อจะให้หนุนใจพี่น้องคนเหล่านั้นที่ได้เชื่อในพระเยซูเจ้าและเป็นคนที่เชื่อใหม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าและเพื่อให้ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของพระเยซูคริสต์นั้น เกิดขึ้นท่ามกลางในเหล่าหมู่ผู้เชื่อทั้งหลายและซึ่งพิจักนั้นมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะอาคารก็มีพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนสิลามุมเอกหรือว่าเป็นเสาเอกความรักและการเสียสละของพระองค์นั้นจะเป็นแบบอย่างที่เขาจะดำเนินต่อไปให้เราพิจารณาสามประการด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับประการแรกอธิษฐานทุกเวลา กาเนินชีวิตของเราผู้เชื่อเราจะมีการพัฒนาขึ้นในความเชื่อเช่นเดียวกันเหมือนกับทางร่างกายเรามีการพัฒนาการเจริญเติบโตฝ่ายร่างกายความรู้การศึกษาเราก็มีการเจริญเติบโตหน้าที่การงานเราก็มีความเจริญเติบโตเช่นเดียวกันชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเราเจริญเติบโตขึ้นมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นเราก็จ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหา เราเรียกว่าอาจารย์ปรโลเรียกว่าสงครามฝ่ายวิญญาณดังนั้นท่านก็ให้แนะนำว่าอาวุธสำหรับสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นในเอฟซัสบทที่6ข้อก่อนหน้าข้อที่18นี้มีอาวุธ6อย่างมียุทธภัณฑ์6อย่างที่จะต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตไปและอันที่เจนั่นก็คือว่าเราอธิษฐาน ในพระวิญญาณทุกเวลาอธิษฐานเพียด้วยความเพียรทุกอย่างอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนนี่เป็นยุทธภัณฑ์ที่เราใช้ต่อสู้ในการดําเนินชีวิตในโลกนี้คําว่าอธิษฐานเพื่อพี่น้องเพื่อผู้เชื่อทุกคนทุกเวลาทุกในที่นี้ไม่มีขอไขกระรนนะครับที่ทุกในที่นี้มีความหมายว่าทั้งหมดอ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับเราอธิฐานเผื่อหลายครั้งเราอธิฐานเผื่อบางคนเราอธิฐานเผื่อบางคนนั้นก็คือตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักคนที่น่ารักคนที่เราชอบใจแต่คนที่เราไม่ชอบใจคนที่ไม่น่ารักเราก็ไม่ค่อยจะอธิฐานเผื่อแต่พระวจนะของพระเจ้ า, าหนุนใจให้เราอธิฐานเผื่อคนเหล่านั้นคาว่าอธิฐานวิงวอ มีคำแปลอยู่สองอย่างก็คือว่าคำแรกก็คือการอธิษฐานทั่วๆไปอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนและอันที่สองนั้นก็คือว่ามีความหมายว่าเป็นการขอร้องการอ้อนวอนบิงวอนเผื่อบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและอธิษฐานไม่หยุดหย่อนนี่เป็นคำสั่งที่อาจารย์ปโลที่พระวจนะของพระเจ้าได้สั่งให้กับ ผู้เชื่อทั้งหลายได้อธิษฐานเพราะว่าเราหรือว่าเขาเหล่านั้นกำลังดำเนินชีวิตในฝ่ายสวรรค์ซึ่งปรากฏที่จะให้สวรรค์นั้นปรากฏอยู่ในบนโลกนี้จงขอโดยพระวิญ ญ, ญาณทุกเวลาแน่นอนครับความคิดทั่วไปหรือว่าความเข้าใจทั่วไปการอธิษฐานนั่นก็คือการขอ ถูกครับเพราะว่าพระสคศริศเองก็สอนให้เราอธิษฐานขอเช่นเดียวกันจงขออธิษฐานขอโดยพระวิญญาณในพระวิญญาณเพราะว่าเราอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้ทรงนําเราในการที่จะอธิษฐานเพราะว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรผู้ที่จะช่วยเราในการอธิษฐานนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ารมบทที่ 8: ปดข้อยีได้กล่าวว่า ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ส่งช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณส่งช่วยเราขอแทนเราเมื่อเราอธิษฐานคล้ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำพระเจ้าจะช่วยเราและทำให้เรารู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอต่อพระองค์อย่างไรทุกเวลา คำเวลาในที่นี้ก็เช่นเดียวกันครับมีความหมายว่าเป็นฤดูกาลหรือว่าเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นนั้นทุกๆุเวลาทุกๆฤดูกาลนั้นเราก็จะอธิษฐานทุกทุโอกาสทุกๆุสถานการณ์อย่างเช่นพี่น้องของเรามีความเดือดร้อนมีความทุกข์ยากลําบากต้องติดคุกคนที่เจ็บป่วยหรือว่าสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองที่ ไม่ค่อยสู้ดีนักหรือมีคนที่ประสบภัยธรรมชาติประสบอุบัติเหตุเพื่อขอพรของพระเจ้าขอการรักษาการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าที่จะอยู่กับผู้ที่ประสบกับเหตุต่างๆเหล่านั้นเพื่อเขาจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้เราอธิษฐานด้วยความเพียรทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราไม่ได้อธิษฐานเพียงครั้งเดียวอธิษฐานไม่หยุด ดังเช่นชายคนหนึ่งในคำอุปมาที่พระคริจากได้เล่าขณะที่ดึกแล้วเขามีแขกมาที่บ้านแต่เขาไม่มีอาหารแต่เขารู้ว่ามีเพื่อนบ้านของเขามีอาหารอยู่เขาจึงไปเคาะและขออาหารเพื่อจะมาต้อนรับแขกเพื่อนบ้านได้ตอบว่าเวลามันก็ดึกแล้วคนในครอบครัวภรรยาและลูกนู ก็หลับหมดแล้วถ้าเราลุกขึ้นไปหยิบอาหารให้ท่านหยิบขนมปังให้ท่านเกรงว่าภรรยาและลูกของเราจะตื่นแต่ชายคนนี้ไม่ได้หยุดที่จะขอยืมจากเพื่อนของเขาในที่สุดเพื่อนคนนี้ก็ลุกขึ้นมาหยิบอาหารให้กับเพื่อนของเขานี่เป็นการอ้อนวอนเป็นการขอและขอในสิ่งที่จําเป็น พี่น้องที่รักครับเราอธิษฐานเผื่อใครบ้างอธิฐานเผื่อคนในครอบครัวอธิอฐานเผื่อบิดามารดาที่สูงวัยอธิฐานเผื่อลูกที่เขาจ ะ, จะเจริญเติบโตที่เขาจะต้องเผชิญกับโลกข้างหน้าที่มีอะไรมากมายที่ยุ่งยากลําบากชีวิตที่เขาจะต้องต่อสู้อธิษฐานเผื่ออนาคตของเขาผู้ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็อธิษฐานเผื่อคู่ครองของลูกอธิฐานเผื่อการเรียน อนาคตที่ดีอธิษฐ um านเพื่อคริสจักรอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้อธิษฐานเพื่อผู้นำอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เรารู้จักหรือผู้ที่เราไม่รู้จักหรืออธิษฐานเพื่อคนที่จะเข้ามาร่วมนมัสการกับเราเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะส่งใครมาอาทิตย์นี้หรือว่าในอาทิตย์หน้าแต่เราขอผมเคยอธิษฐานและอธิษฐานอยู่ว่าขอให้ที่นั่งทุกที่นั่งในพระวิหารนี้เต็ม มองไปแล้วก็มีบางที่ที่ยังไม่เต็มก็คือแถวหน้าอาจจะรู้สึกหนาวก็ได้นะครับเมื่อนั่งข้างหน้านะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาไปที่ประชุมหรือว่าไปในโบสถ์คนก็จะรีบไปเร็วเพื่ออะไรครับเพื่อจะนั่งข้างหลังครับเพื่อจะจองที่นั่งข้างหลังนะคนมาทีหลังก็นั่งหน้านะฮะแต่เวลาดูหนังนเราก็มักจะไปนั่งข้างหน้าก่อนใช่ไหมครับเราอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกัน เผืคริสจักเผื่อคนที่อยู่รอบข้างรพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะทุกคนที่ขอก็ไดุ้กคนที่หาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขานั่นคือว่าเราจะต้องอธิษฐานต่อไปประการที่สองครับอธิษฐานอย่างที่พระเจ้าทรงตอบทุกๆครั้งเราอธิษฐานตามแบบองค์พระคริสต์เจ้าตรัสสอนจากมัทธิวบทที่ 6ข้อ7ถึง13ก็จะไม่อ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อีกนะครับแต่ว่าจะเชื่อเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้พบว่าพระเยซูยเจ้าไม่ได้ให้สูตรสำหรับท่องในการอธิษฐานเหมือนกับเราท่องคาถาหรือว่าบทสวดทั้งหลายแต่พระเยซูกำลังบอกให้ความสำคัญว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรและมีองค์ประกอบ4อย่างด้วยกัน หน้าจอพี่น้องเห็นแล้วนะครับประการแรกนั้นก็คือว่าเราต้องอธิษฐานด้วยความจริงใจนี่เป็นคําสั่งเราอาจจะพบความจริงใจของตัวเราเองเมื่อเราอยู่คนเดียวในที่สงบและอะไรที่บางสิ่งบางอย่างที่เราถูกเก็บหรือว่าเรากดเอาไว้ในความคิดในจิตใจเราไม่ได้ลบออกไปสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาขณะที่เราอยู่คนเดียว ขณะที่เรากำลังจะอธิษฐานแม้กระทั่งที่ในห้องที่เราปิดมิดชิดความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้มันก็สามารถที่เกิดขึ้นกับเราได้ขอพระเจ้าช่วยเรานำความคิดที่ไม่สะอาดความคิดที่สโปรกหรือบาป ท, ที่มันผุดขึ้นมาในความคิดในใจของเรานั้นกำจัดออกไปด้วยการอธิษฐานเราขอพระเจ้าด้วยความจริงใจ แรงจูงใจที่ถูกต้องควรจะเกิดขึ้นขณะที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้านโปเลียนได้กล่าวว่าต้นเหตุของการปฏิวัติคือการมักใหญ่ไฟสูงอิสระภาพเปลี่ยนเพียงสิ่งที่นำมาบาังหน้าเท่านั้นนั่นคือความไม่จริงใจของการปฏิวัติเราอธิษฐานต่อพระเจ้า อย่างไรครับเราอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้ผู้คนชมว่าคำอธิษฐานของเรานั้นเป็นคำอธิษฐานที่ไพเราะเพราะพริง้งเพราะาเราไม่ได้อธิษฐานให้คนฟังแต่เรากําลังทูลต่อพระเจ้าไม่มีเวลาใดที่จะจริงใจและสศรซื้อมากกับเวลาที่เราอยู่กับพระเจ้าส่วนตัวกับพระองค์ในที่ลับ และพระองค์ทรงสั่งซื่อพระองค์ทรงเห็นความจริงใจของเราในที่นั้นสิ่งที่สองครับเราต้องอธิษฐานอย่างลับๆพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธในการอธิษฐานในที่แจ้งแต่พระองค์กำลังบอกว่าการอธิษฐานเพื่อให้คนอื่นชมนั้นเหมือนกับฟาริสีนั้นเขาเหล่านั้นก็ได้รับบาเหน็จแล้วแต่การอธิษฐานในที่ลับนั้น เป็นความพอใจที่เราจะได้รับบําเหน็จจากพระเจ้าสาริสุขพระคุณความรักความสบายใจพี่น้องเคยไหมครับขณะที่เราอาธิฐานส่วนตัวกับพระเจ้าปัญหาทั้งหลายที่เราเหมือนกับเราแบกภูเขาไว้เมื่อเราอาธิฐานเสร็จมันโล่งที่เราบอกว่ายกภูเขาออกจากอก นั่นแหละครับคือการอธิษฐานที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าอธิษฐานในที่ลับอธิษฐานและเราก็จะได้บับัาเน็จและยิ่งกว่านั้นบำาเน็จที่เราได้มีความชื่นชมก็คือว่าเราได้อยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าและที่จะรับคำชมเชยจากพระองค์สิ่งที่สามครับเราอธิษฐานอย่างง่าย พระเยซูเองก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องอธิษฐานเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆแต่พระองค์กำลังบอกว่าการพูดพรั้มเพื่อพูดอย่างเด็กๆที่ไม่เข้าใจความหมายและที่เราไม่ได้ ใช้คําอธิษฐานที่พระเยคริสต์เจ้าตรัสสอนนั้นเป็นบทท่องบทสวดเพราะเหตุนี้นั่นเองการอธิษฐานพูดไปเรื่อยๆเป็นแบบน้ําท่วมทุ่งนั้นแท้ที่จริงแล้วพระเจ้ารู้แล้วว่าเราจะขออะไรมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าการอธิษฐานส่วนตัวของผมบางครั้งไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่ ทำให้พระเจ้าทรงเชื่อในตัวผมหรือทำให้พระองค์ร่วมมือกับผมในกิจการของผมผมกำลังพยายามคลายมือที่กำแน่นของพระองค์ออกนั่นกำลังบอกว่าเพื่อให้พระเจ้าตอบสนองความต้องการของเขานั่นเองซึ่งเป็นแรงจงใจที่ยังไม่ถูกต้องการอธิษฐานอย่างง่ายๆนั้นเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ ของพ่อกับลูกเหมือนลูกคุยกับพ่อสิ่งที่จะตัดสินในคำตอบของการอธิษฐานนั่นคือพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงรู้สถานการณ์ในชีวิตของผมและของพี่น้องว่าเรากำลังพระเชิญอะไรอยู่เรากำลังสบายเรากำลังมีภาระหนักเรากำลังมีความต้องการใช้คนหนึ่งเขาคุยกับลูกของเขา ในวันสอบวันสุดท้ายส่วนใหญ่นั้นเขาก็จะให้ลูกซึ่งเรียนในระดับวิทยายลัยนั้นขับรถกลับบ้านเองโดยที่เขาเองได้มอบรถคันเก่าให้กับลูกไว้ฝึกหัดขับและรถคันนี้มันก็มักจะเสียอยู่ประจําวันหนึ่งในวันเสาร์ที่เขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้าน ลูกชายก็มาหาแล้วเดินมาอย่างลูกลี้ลุกลนหันซ้ายหันขวาคุยกับพ่อคุยไปเรื่อยๆคุยไม่หยุดแล้วก็เมื่อคุยมาถึงเรื่องรถที่เขาขับกลับมาจากโรงเรียนนั้นวิทยาลัยนั้นเขาก็พูดเร่งขึ้นเร่งขึ้นและก็มีความเค่งเครียดเริ่มฟังไม่ได้สับและเหมือนกับจะบอกว่า พ่อรถผมนั้นมันเสียและยางมันก็จาเป็นต้องจะต้องเปลี่ยนเมื่อเขาหยุดพูดนั่นเองพ่อก็ถามขึ้นมาว่าลูกลูกกำลังจะบอกพ่อว่าลูกต้องการเปลี่ยนยางรถใช่ไหมเพราะว่าตอนเช้าพ่อได้ไปเดินดูแล้วรถมันต้องการยางของมันต้องการเปลี่ยน พ่อรู้ได้หรือเขาตอบพ่อพ่อของเขาตอบว่าใช่พ่อรู้เมื่อพ่อบอกว่าพ่อรู้ดังนั้นเองท่าทีของลูกชายที่ลูกรี้ลูกลนที่ไม่มั่นใจนั้นก็เปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อต้องการความรู้ถึงความต้องการของเขาครับพระเจ้าทรงรู้ความต้องการของเราที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่พระองค์จะทรงตอบ และทําให้เรามั่นใจและทําให้เราเราควรไว้วางใจในพระองค์สิ่งที่สี่ครับที่พระเจ้าทรงตอบนั้นก็คือว่าอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงพระคริสตเจ้าเองทรงอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงและการอธิษฐานของพระองค์นั้นเป็นการอธิษฐานที่ร่วมกับการกระทําเมื่อพระองค์อธิษฐานขอการเรียกสาวกพระองค์อธิษฐานคืนยันรุ่ง ล้วกัมภีร์บันทึกว่าแล้วพระองค์ก็ลุกไปเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วพระองค์ก็กระทำด้วยการอธิษฐานก็เป็นการขออย่างที่กล่าวไว้แล้วเมื่อสักครู่นั้นไม่ได้เป็นเพียงการสรรเริญอย่างเดียวเท่านั้น mm hmm. พระเยซู ส, สอนให้เราอธิษฐานขออ้อนวอนขอขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนี่ก็คือการอ้อนวอนการขอเพื่อจะ เทิดทูนพระเจ้าเพราะว่าเจ้านะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่หข้อสาสบสาได้บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับท่านเรากาลังให้ความสาคัญแก่พระเจ้าเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าพระบิดาเราละความสนใจของตัวเองลงเพื่อมุ่งความพระประสงค์ของพระเจ้าและมุ่งถึงความ ต้องการของคนอื่นเมื่อตัวเราว่างเปล่าแล้วเราก็สามารถที่จะนาเราสามารถที่จะลืมตัวเองแล้วก็ภายหลังเราจึงสามารถที่จะนาเอาความต้องการของเราใส่ในคำอธิษฐานนั้นได้เราควรขออธิษฐานว่าขอให้น้ำพระทัยของพระองค์หรือว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นสำเร็จขอให้พืนดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอสวัสดิภาพ ขอความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตวิญญาณขอสิ่งที่จำเป็นอาหารประจำวันขอาการยกโทษซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นนั่นคือการยกโทษให้แก่กันและกันเมื่อเราอาธิษฐานอย่างไม่เห็นแก่ตัวแต่เพื่อช่ายเกียรติแด่พระเจ้าให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แม้ว่าเป็นความจาเป็น และความหรือความต้องการของเราพระเจ้าก็จะทรงฟังและพระองค์ก็จะทรงตอบประการสุดท้ายครับเมื่อเราอธิษฐานชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตแห่งสวรรค์ภารกิจสวรรค์ให้เราใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคำอธิษฐานพระคริสต์เจ้ า, จาตรัสว่าในยอห์นบทที่15้าข้อ 7, ถึงข้อ8มีบนจอนะครับเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับเราเป็นเถาอางุนทั้งทั้งหลายเป็นขแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกออกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่เข้าสนิทในเราผู้นั้นต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแนแงแล้วเหี่ยวแห้งไปแล้วถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคาของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น และมีข้อที่สิบสองครับบอกว่าบัญญัติของเราคือให้ทั้งหลายรักซึ่งกันและกันถ้อยคำขององค์เตสเซคิวเจ้าที่สรุปไว้คือให้เรารักซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะไม่เป็นความสัมพันธ์จะไม่เป็นการโกหกเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับมนุษย์ได้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน คำอธิษฐานและชีวิตของเราก็ต้องสอดคล้องกันเช่นเดียวกันนักบวชคนหนึ่งขณะที่เขาฝึกงานอยู่นั้นเขาทําหน้าที่เป็นพ่อครัวดูแลครัวเขาทําหน้าที่ในการล้างจานเขาบอกว่าขณะที่ล้างจานชามยกอาหารบริการแก่เพื่อนนักบวชผมสนทนากับพระเจ้าไปด้วยและ รู้สึกซาบซ่านที่สัมผัสถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าทำให้งานต่ำต้อยในครอบครัวมีความหมายและมีค่าในห้องครัวนั้นมีความหมายและมีค่าเราสามารถเรียนรู้การสถิตยอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราได้ในขณะที่เรากำลังเดินทางเราสามารถอธิษฐานได้ในขณะที่เราขับรถ หรือออกกำลังกายหรือกำลังช่วยคนบางคนทําธุระย้ายบ้านหรือขณะที่เรานอนอยู่บนเตียงเวลาการคืนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในสถานภาพใดเราก็สามารถที่จะอธิษฐานและเราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงฟังเมื่อจิตใจของเรานั้นมุ่งตรงต่อพระเจ้าเราคุยกับพระองค์ เราอาจจะคุยออกเสียงหรือว่าอาจจะคุยแน่ใจพระเจ้าทรงฟังพระเจ้าสถิตอยู่กับเรานี่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระนามขององค์พระเยซูเจ้าคืออิมานูเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเราผู้ที่ตอนรับพระองค์ไว้ในชีวิตยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่กับคนนั้น นี่คือการเริ่มต้นที่เราจะสามารถให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราคือการที่เรายอมรับองค์พระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรามันจะทําให้เรามั่นใจทําให้เรามีความไว้วางใจในพระเจ้าได้อย่างที่สุดและพระองค์สัญญาว่าและบอกกับเราว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นมิตรสหายกับพระองค์คือเมื่อเราได้ทําตามพระบัญญัติและถ้อยคําของพระองค์หรือแม้กระทั่ง เมื่อเราอยู่สองสามคนที่ไหนในนามของพระองค์พระองค์ก็อยู่กับเราที่นั่นบัญญัติของพระองค์ท้อยคำขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงรักซึ่งกันและกันเป็นคำสัญญาและเป็นคำสั่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นบัญญัติข้อที่สิบเอ็ดคือการรักซึ่งกันและกันนั่นเป็นการสัมผัสถึงการ สถิตยอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเราทั้งหลายความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งเราอธิษฐานขอความรักของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเราก็ต้องมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเราอธิษฐานเพื่อผู้ที่หิวโหวยผู้ที่อดอยากยากไร้เราก็ต้องเป็นคนนั้นที่รู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่น เราไม่เพียงแต่ปราถนาดีแต่ว่าเราหยิบยื่นสิ่งที่ดีนั้นเป็นการกระทำของเราด้วยถ้าเราบอกว่าเราติดสนดิทกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงสำแดงออกผ่านทางการกระทำของเราความประพฤติของเรานั้นก็จะเป็นลักษณะตามอย่างที่องค์พระผู้เปเจ้าได้ประทานให้กับเรานั่นคือความรัก และลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งแต่มันเป็นอุปนิสัยที่ถูกสร้างภายในจิตใจจากการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการที่เราได้อธิษฐานและเชื่อฟังพระองค์พี่น้องครับชีวิตของเราทุกวันมันมีความเบื่อหน่ายมากมายมีความกลัวมีความยุ่งยากความน่ารำคาญจากสิ่งแวดล้อมจากสภาพแวดล้อมหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเรา ความเบื่อหน่ายนี้ทําให้เราอยากจะหนีทําให้เราอ่อนเพลียทําให้เราหมดสติทําให้เราเหนื่อยรู้สึกป่วยบางคนก็เป็นโรคจิตต้องหาจิตแพทย์บางคนก็เกิดความกลัวผมพบอีกอคําหนึ่งในบทเรียนเขาบอกว่าคําว่าอย่า ก, กลัวในพระคัมภีร์นั้นมีมากกว่า หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครั้งซึ่งเคยที่ก่อนหน้านั้นเคยได้ยินว่าคําว่าอย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวเลยนันมีสามร้อยหสิบหครั้งในพระคัมภีร์แต่ในบทเรียนนี้บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อกําลังจะบอกว่าทุกๆวันหนึ่งพันสี่้อยสี่สิบนาทีพระเจ้าทรงอยู่กับเราหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีในแต่ละวันนั้นพระเจ้าอยู่กับเรา ไม่มีเวลาใดยเลยที่พระองค์จะไม่อยู่กับเราพระองค์ทรงเข้าใจถึงความยากลําบากเข้าใจถึงความยุ่งยากหรือแม้กระทั่งเวลาที่มีเหตุการณ์หรือว่ามีคนที่ม า, าสร้างความยุ่งยากลําบากให้กับเรานั่นเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้เราที่จะรักเขาเพื่อที่เราจะ อธิษฐานเพื่อเขาภารกิจของสวรรค์นั้นเป็นภารกิจที่เราทั้งหลายได้รับมอบหมายพระเจ้าทรงสร้างเราสร้างพี่น้องและผมให้รักคนที่หยาบคายรักคนที่ไม่น่ารักวางเราไว้ในสถานที่นั้นเพื่อให้เราเติบโตเพื่อให้เราจะ เป็นเหมือนกับองค์พระคริสต์เจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเราตัดสินใจว่าหนทางของในองค์พระคริสต์เจ้านั้นที่เราจะต้องเดินไปนั้นสิ่งที่เราหยุดไม่ได้นั้นก็คือการอธิษฐานให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าภารกิจสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์แต่ขึ้นอยู่กับน้ําพระทัยของพระเจ้าเอสนาอาวอรเรล ได้ประพันธ์เพลงที่บอกว่าอย่าหยุดอ้อนวอน Don't stop praying นุนใจเราในการอธิษฐานนุนใจเราให้อธิษฐานทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราวพระเจ้าทรงทราบความทั้งหมดสิน้นพระองค์ทรงรักเราอาจินความเชื่อทำลายความกังวลให้สิน้นอย่าหยุดอ้อนวอนทรงตอบทุกคน อาเมน